เพราะว่ากันว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่แต่วันแม่วันนี้อยากให้ลูกๆจับตาดูแม่ยุคไว้ให้ดีเพราะวันแม่วันนี้แม่ยุคจะมีสูตรเด็ดมาแบ่งปันให้ลูกๆทุกคนด้วยเมนูขนมชั้นแต่เป็นเมนูขนมชั้นแกงเขียวหวาน